ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอพระสูตรในสังยุตตินิยรสืบต่อกันมาโดยลำดับเกรีนว่าพระสูตรแต่และพระสูตรนั้นมีในยะหลากหลายที่ควรแก่การศึกษาทำความเข้าใจ ซึ่งเมื่อเราก่าวโดยภาคของการปฏิบัติเราจะเริ่มต้นที่สุดไหนก็ได้แต่เมื่อผลเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วกิเลสก็จะจางลงทุกข์ก็จะจางลงธรรมะเพิ่มขึ้นสุขเพิ่มขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นสูตรแต่ผลไม่ออกมาในลักษณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิด พาลักษณะของธรรมะนั้นเป็นระบบคำสอนที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงไว้ดีแล้วเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตจะทำหน้าที่ขัดขดจัดขัดเกลากิเลสออกไปจากจิตแต่ว่าในช่วงที่เราเป็นสามัญชนเราเห็นว่าภายในจิตเรากิเลสมันชักขเยอะกัน กับธรรมะก็ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของอะไรเขาสูงกว่าบางครั้งเราก็พ่ายแพ้กิเลสซ้ำแล้วซ้ำอีกบางครั้งเราก็อาจจะชนะซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เหมือนกันเมื่อกิเลสมันลดจิตก็จะ นำไปสู่ความสุขความสงบความเยือกเย็นผลผลที่ปรากฏที่ชัดเจนเนี่ยคือออกมาในรูปอื่นไม่ได้จะเรียกว่าสันติสุขหรือสันติธรรมคือมันมีความเป็นสันติธรรมแต่จะกลายเป็นสันติสุขได้ก็ต้องผ่านการศึกษาผ่านการปฏิบัติสารการสัมผัสผล เพราะว่าสันติสุขนั้นเป็นผลสันติธรรมนั้นเป็นเหตุคือถ้าเราพูดนในแนวอริยสัจก็คือสันติธรรมเป็นมรรคสัจสันติสุขเป็นนิโรธสัจแต่ถ้าเราพูดโดยโครงสร้างของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเราจะพบว่าสันติสุขนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคในการปฏิบัติ หมายความว่าเราอาจจะกำหนดรู้ทุกข์ก็ได้แลว้วก็เกิดสันติสุขได้หมายความมันทำใจให้สงบจากอารมณ์ที่เป็นขัดสศึกต่อกิเลสทั้งหลายแล้วก็มีสติระลึกรู้ถึงความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาจะเราปร่งตกในความแก่ความเจ็บความตายการพราดพลากสูญเสียที่ เกิดขึ้นแน่นอนในชีวิตเ ก, เกิดมาแล้วกำลังเกิดแล้วก็จักเกิดจนกว่าจะสิ้นลมปราณแล้วก็เมื่อเกิดใหม่ก็จะเจอสภาพเดิมก็คือแก จ, จะตายในการพลัดพรากสูญเสียพปัถธาทําจิตอย่างที่พุทธเจ้าทรงแสดงว่าเตสังวูปะสะโมสุขโข คือทำจิตให้สงบประงับในสัตว์และสังขารทั้งหลายใี้ได้มันก็จะเกิดความสุขทีนี้ในกลุ่มของสมุทัยสัตว์คือถ้าหากว่าเราสามารถมองเห็นโทษแล้วก็พยายามลดละกิเลสเหล่านั้นให้จางไปคลายไปบรรเทาไปมันก็เข้าสู่สันติสุขเหมือนกันหรือว่าการปฏิบัติไปตามหลักอริยมักฌิยองแปประการ ซึ่งมักก็จะทำปฏิกิริยาต่อสมุทัยแล้วเมื่อสมุทัยลดไอทุกข์ลดความสุขก็เพิ่มอนผลก็จะออกมาในรูปเดียวกันโดยงเงพาะว่าบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยสรุปง่ายๆแสดงอริยสัจเต็มรูปแต่ว่าทรงใช้คำเพียงแปดบรรทัดเท่านั้นเอง บรรทัดสั้นๆด้วยดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายทําสองประการควรกำหนดรู้คือนามหนึ่งรูปหนึ่งนี่คือทุกสะทําสองประการควรละคืออวิชาหนึ่งภาวะตัณหาหนึ่งนี่ก็คือสมุทัยศัตว์ทาสองประการควรทำให้แจ้งคือวิชาหนึ่งวิมุตหนึ่งนี่คือนิโรถศัตว์ ทำรองประการควรเจริญก็คือสมถะหนึ่งวิปัสนาหนึ่งเพรา ะ, ะเราจะเห็นว่าการปฏิบัติเนี่ยที่จริงมันเหมือนกับเราเข้าประตูเมืองหรือประตูวัดหรือประตูบ้านอะไรก็ได้มันมีอยู่สี่ประตูเราเข้าทางใดก่อนก็ได้ก็ไม่แปลกอะไรกันพอะาจาทย์ผู้ฟังลองสังเกตว่าอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ย มันมีทั้งส่วนที่เป็นทุกขสตัตว์ส่วนที่เป็นสมุทัยสัตว์ส่วนที่เป็นมรรคสัตว์แล้วก็ส่วนที่เป็นนิโรธสตรัตว์ดูง่ายที่สุดก็คือดูในธรรมานุปัสสนาสติปตัฏฐานเจนคานห้าเนี่ยมันก็มองไปที่ตัวทุกขสตัตว์นิวรานห้าเนี่ยมองไปที่สมุทัยสัตว์หรือแม้แต่อายตนปะปภะคือหมวดอายตนะ แต่สิ่งที่เรามองที่จริงมันเป็นทุกขสัตว์แต่ว่าเป็นการมองสืบสาวคือเจาะลึกลงไปอีกทีหนึ่งก็จะเจอตัวสมุทัยสัตว์ก็คือสังโยชน์ทั้งสิบประการแล้วก็เข้าไปที่มรรคสัตว์จนถึงนิโรธสัตว์ ก็จะปฏิบัติยังไงก็ตามมันจะอยู่ในกรอบของอริยสัจทั้งสีประการี้ตลอดไปเวลาเขาเกิดเนี่ยเกิดดับไปด้วยกันหมายความว่าฝ่ายหนึ่งเกิดฝ่ายหนึ่งก็จะดับไปด้วยกันมักเกิดสมุทัยก็ดับพูดถึงดับเลยก็คงจะยากนะครับพูดถึงว่ามันลดลงไปหรมันเท่าลงไป ในพระสูตรท่านเรียกว่าสัตตสูตรมันเป็นสัตติวัคคือวัคติว่าโดยหอกเป็นธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแนวอุปมาเชียบเคียงประอย่างที่บอกมาแล้วว่าทุกข์ก็ดีสมฆ์ัยก็ดีมรรคก็ดีนั่นเป็นนามธรรม มันสื่อสารยากนะสื่อสารให้เกิด ค, ความเข้าใจนี่จะยากาะ ก, ก็ต้องอาศัยรูปวัตถุเป็นสื่อมันเห็นได้ง่ายในทีน่นี้มีเทวดาตนหนึ่งมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เสนอความคิดเห็นของท่านพระภิกษุพึ่งมีสติ เว้นรอบเพื่อละกามราคะเหมือนบุุษที่ถูกประหารด้วยหอกมุ่งถอนเสียและเหมือนบุุษที่ถูกไฟไหม้บนศรีรษะมุ่งดับไฟฉะนั้นคือหมายความว่าเป็นการมองชีวิตเนี่ยเป็นการมองชีวิตได้เห็นทางทางระบบคือให้ครบอารียสัต คาว่าภิกษุโดยทั่วไปเราอาจจะแปลว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏซึ่งก็หมายความว่าพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยถ้าเห็นภัยในสังสารวัฏก็ชื่อว่าภิกษุเพราะภิกษุมันเป็นมาตรวัดคุณธรรมแล้วก็มาตรวัดถึงรูปแบบพิธีกรรมที่ผ่านขั้นตอนมาถูกต้อง ผมแต่เราพูดโดยภาษาวินัยทานิยามไว้ว่าภิกษุก็คือผู้ที่สงพร้อมเพรียงการยกขึ้นเป็นภิกษุโดยชอบโดยยัติยตุตตกรรมอุปสัมปทาอันไม่กำเริบชื่อว่าภิกษุในที่นี้แต่ว่าท่านในความหมายก็งธรรมะมันก็หมายถึงใครก็ได้ ที่เห็นโทษเห็นภัยในสังสารวัตรคือการเวียนว่ายตายเกิดเห็นทุกข์ขอทุกข์กษัตริย์เห็นโทษของสมุทัยกษัตริ์เพราะทุกข์กษัตริย์จริงๆมันอยู่มันเฉยๆนะฮะที่ทาให้เราเป็นทุกข์ก็เพราะเราไปยึดมันยึดปั่นว่าเป็นของเราบ้างเป็นเราบ้างเป็นตัวเป็นตนของเราบ้างความทุกข์มันก็เกิด ตอนแต่เราเห็นโทษแล้วก็พยายามที่จะสลัดออกหรือถ่ายถอนจิตใจของตัวเองออกไปจากอำนาจของกิเลสเหล่า น, นั้นก็ทุบไปแก่ใครก็ได้ที น, นี้ตามปกติแล้วใน สังคมเราเราสื่อสารในเชิงที่เป็นรูปแบบไม่ค่อยสื่อสารในเชิงที่เป็นเนื้อหากันเท่าไหร่ตอนแถวกลางๆเดือนพฤศจิกายนก็มีศึกษานิเทศท่านเรียบเรียงหนังสือเรื่อง การศึกษาวิธีพุทธก็ถือวิธีการอธิบายเนี่ยเก่งแล้วก็เป็นสุภาพสตรีเข้าใจธรรมะได้อย่างลึกซึ้งขนาดนี้เราก็ถือว่าเก่งแต่ว่าออท่านไม่ได้มองให้เป็นกระบวนท่านมองเป็นข้อข้อพอเป็นข้อนั่นคนมันขยาด ยาจำนวนข้อที่มันมากคืออย่างที่เคยบอกว่าไอ้ข้อธรรมะเนี่ยที่จริงมันเหมือนกับการบอกการบอกอส่วนผสมของยายามเม็ดหนึ่งเี่เม็ดหนึ่งเนี่ยแล้วก็บอกว่าไอ้ส่วนนั้นท่านนั้นทนัท้นทนันท่านันก็ยาวกันไปเลยแล้วถามมันอยู่ที่ไหนละ่ะ มันก็อยู่ในยานนั่นแหละเพา้จริงๆเราก็ไม่เห็นแต่ว่าเมื่อเรารับประทานเข้าไปเนี่ยตัวยาแต่ละตัวก็จะทำหน้าที่ของตัวเองไดยทำไปตีกริยาต่อส ม, มุธฐานของโรคเมื่อส ม, มุธฐานของโรคถูกทำลายอาการของโรค ก, ก็สงบมมไปแต่เราก็แยกไม่ออกหรอกว่าตัวไหนมันทำลายอะไร ทีนี้ธรรมะที่จริงมันเป็นอย่างนั้นคือเรานั่งฟังเทศปั๊บเนี่ยมันเป็นศีลสมาธิปัญญาไปแล้วในขณะนั้นแหละไม่ต้องไปนับนหรอกอาการที่เด่นก็คือศีลเราไม่มีกายยทตจิตวจิตรจิตเราเลย ม, มาก็คือจิต มันฟุ้งหรือเปล่าสงบหรือเปล่าถ้าจิตสงบมันก็เป็นสมาธิแต่ปัญญาพิจารณาเห็นคุณของการสงบ ก, กายสงบปัญญาเนี่ยมันก็เป็นปัญญาอย่างน้อยก็ปัญญาระดับที่เรียกว่าอุปายโกรณ์คือฉลาดในวิธีที่จะหลีกหนีทางเสื่อมมาดําเนินในทางเจริญ ตอนแต่เราสอนจำนวนมากแล้วก็ไม่สรุปให้เด็กกดูว่ามันเป็นกระบวนการแบบการปลูกพืชแบบการปรุงอาหารแบบอะไรเนี่ยคนจะขยาดต่อจำนวนของธรรมะแน่นอนเวลาเราอธิบายอธิบายไปเถอะคือองค์ธรรมก็ว่าเป็นชุดๆไปแต่ต้องเข้าใจว่า พอเกิดปั๊บเนี่ยมันต่อกันไปเลยมันเป็นกระบวนการของเขาวะชื่อก็เป็นยังไงอย่าง ไ, าไม่รู้จะซ้ำไปคือเขามีมาก่อนโลกอะ่ะพระเจ้าจะรู้ก็คือค้นพบไอสัตยธรรมส่วนนี้และชื่อเนี่ยทรงบัญญัติงบัญญัติเรียกโดยภาษาบาลี ติดต่างว่าพระพุทธเจ้าเป็นฝรั่งสมัยโบราณนั่นก็ชื่อชาวชาวโรแมนหรือพวกรกรีกริจีนเน่ะือแม้แต่อายุครบภาษาธรรมะมันก็ไม่เรียกอย่างนี้มันก็เรียกโดยภาษาด้านนั้นฮเนพราะแต่เราไม่ติดใจภาษาให้มากเกินไปและพยายามทำความเข้าใจโดยเพาะยิ่งคือดูที่จิตเราเอง เห็นธรรมะที่จิตเพราะจริงๆทุกมันก็อยู่ที่จิตสมุทัยก็อยู่ที่จิตมรรคก็อยู่ที่จิตนิรโรธก็อยู่ที่จิตเพียงแต่ว่าทุกขกับสมุทัยก็เกิดร่วมกันมรรคกับนิรโรธก็เกิดร่วมกันแล้วก็สมุทัยกับมรรคเนี่ยไม่มีโอกาสร่วมกันเพราะนิรโรธกับทกุก็เหมือนกัน คือไม่อาบที่จะอยู่ร่วมกันเมื่อนินโรธปรากฏทุ ก, ก็ต้องลดทุกปรากฏนินโรธก็ต้องลดในกรณีที่ยังเป็นสามัญชนหรือเป็นปุถุชนอยู่ประเด็นแรกก็คือพึงมีสติสติเนี่ยเราต้องเจอบ่อยก็เรียกว่าขาดไม่ได้ สติแปลว่าการระลึกถันระลึกได้นึกได้นึกออกนอนก่อนจะทาก่อนจะพูดก่อนจะคิดนึกได้เรื่องที่เราจะพูดจะทำจะคิดมันคืออะไรและจะสื่อสารกันยังไงจึงจะเกิดความเข้าใจก็สแสดงว่าตรงนี้เราต้องมีสัญญาคือความจำในอดีตอยู่ ถ้าไม่งั้นก็ไม่มีอะไรให้ระลึกมันก็ระลึกไม่ได้เพราะั้นท่านยังใช้คำว่าระลึกข ว, วนระลึกย้อนระลึกหรือระลึ ก, กเสยก็แล้วแต่ทั้งของตนเองและของบุคคลอื่นได้ผูต้ึงการระลึกเนี่ยวันก่อนก็ มีการประชุมประรบปัญหาทางภาคใต้ที่วัดนิโรธสังคารามวบ่าคิดว่าจะช่วยเหลือกันยังไงก็โทรศัพท์คุยไปกับจังหวัดบอดีก็เจอเลขาจังหวัดบอกท่านมาหาลองสรุปดูซิญาติโยมสองสามหมู่บ้านตรงนั้นแหละที่เขาต้องการจริงๆ เขาต้องการอะไรตอบมาสั้นๆไม่ต้องยาวเขตอบว่าต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างอื่นไม่ต้องเอามาให้หรอกพวกข้าวปลาอาหารเสือส่อาศาสอาสนะอยู่ยาน้ำเนื้อมอะไแต่ไรไม่ต้องเอามาเขามีสวนเขามีพืชยืนต้น เขามีลองกองเขามียางภาราเขามีมังคุดเขามีทุเรียนแล้วก็มีพื้นที่หลายหลายไร่จะอยู่กันโดยปกติสุขเวลานี้ที่มันยุ่งเนี่ยคือว่าเขาไม่ปลอดภัยในชีวิตเตทรัพย์สินการวิธีการเหล่านี้ก็มันก็เป็นวิธีการหนึ่ง วิธีการที่อพยพเข้าไปอยู่ในวัดเนี่ยเพราะว่าทางราชการเขาลงไปเนี่ยเขาไม่สนใจไทยพุทธเขาไปพบ ก, กับผู้นำทางาศาสนาก็อิสลามนี่ยนะะพระเองเจ้าคณะเจ้าเจ้ากันเจ้าคณะจังหวัดเองก็ยังไม่สนใจเลยวันวิธีการเหล่านั้นก็ทํมาให้าเออคนเหล่านี้ฉลาด เขาเรียกว่าแผนเจ็บตัวเป็นการกระตุ้นความสนใจของสังคมให้หันไปมองเขาก็ถูกคุกคามบ้านบ้านช่องไม่มีที่อยู่ที่อาศัยแล้วไม่มีความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินแม้แต่ในบ้านของตัวเองก็ยังถูกไปยิงตายก็เลยก็พูดเล่นๆว่าก็ที่จริงวิธีการเดียวกับ พระพยอมอ่ะเดี๋ยวเขาบอยวายเรื่องที่ดินเนี่ยคอยดูกันลวกันว่าคอยจะได้เงินมากกว่าสิบล้านมันเป็นแผนเจ็บตัวปากตายนี่ใช้บ่อยที่สุดเลยแต่มันน่าเจ็บใจว่าพอวิธีเปลี่ยนไปนิดเดียวเนี่ยคนหลงทางนหะแลแผนเจ็บตัวนี่ใช้เมื่อไหร่มันสำเร็จแค่ั้นสมมติว่าโจรจะปล้นเนี่ย แลย ท, ทําทีเป็นเกิดอุบัติเหตุนอนเกลื่อนอยู่เนี่ยอย่าริมถนนต้องมีรถคันหนึ่งแหละจอดลงไปดูนั่งดูแผนเจ็บตัวแผนเจ็บตัวคือมนุษย์เนี่ยยังไงพอคนประสบความทุกข์มันจะเกิดสงสารรแผนเหล่านี้ใช้ในทางบวกก็ได้ใช้ในทางลบ ก, ก็ได้ซึ่งหมายความเราเองต้องมีสติ สติในการมองให้ดีวันนี้มันคืออะไรต้องสะสมประสบการณ์ในเรื่องอนอรนี้หมายความ่เรื่องราวต่างๆอย่างหนังสือสมัยก่อนเนี่ยว่าเราอ่านแล้วเราได้ความรู้อย่างคนที่ใช้นามปากกาลบบุรีที่เขียนปลอมพง์สาวดานเยอะมาก ในส่วนมากก็จะอยู่แถวนั่นเจ้านะฮะแถวนนเจ้าแถวนองแสแถวเลยๆเชียงรายไปอะ่ะทางจีนตอนใต้ก็พิ น, นาจาักรไทยสมัยก่อนคือเราอ่านแล้วเราจะเห็นว่าบรรยุทธศาสตร์นี่เยอะยุทธศาสตร์พยุหะอะไรต่ อ, อะไรต่างๆนี่จะเยอะมาก เรีแล้วมันก็ตื่นเต้นก็ได้คิดตามเออเข้ามาอย่างงั้นจะว่ายัางไงจะดําเนินการอย่างไงอะไรอะไรเนี่ยเพราสติตอนนี้มันระลึกเรื่องอดีตได้มากที่สุดจนเ ล, ลือกได้แบบอัตโนมัติหรือทํายังไงสติมาโดยอัตโนมัติท้องฟังลองสังเกตว่าเช่นแม่ครัวหรือว่า พวกเชฟที่เขาทำงานตามโรงแรมเนี่ยก็ทำงารเร็วมากเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ส่วนสัดส่วนต่างๆเนี่ยเขาไม่ต้องช่างตัวอะไรป๊ป๊าป๊าปปไปได้นะคือระลุกได้เร็วระหว่างจิตกับมือเนี่ยมันทำงานประสานกันจะหยิบนั้นจะทํางนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นได้เร็ว แล้บางทีก็เรียกว่าดูไม่ทันนั้นก็แสดงคือสติสติที่ระลึกได้เพราะระลึกได้แล้วในขณะที่ทํขาขณะที่ผู้ขณะที่คิดเนี่ยต้องระลึกทำอยู่ทุกขณะเผลอแป๊บเดียวเนี่ยมันเผลอไปเลยแม้แต่การบรรยายากกาธรรมะก็เถอะบางทีในเราเผลอไปเลย รถงานจะเรียกอย่างหนึ่งแต่ปรกากฏว่าเวลาพูดพูดไปอีกอย่างหนึ่งแล้วนึกไม่ออกว่าพูดผิดพอไปฟังเทพกขาเอาตกใจทำไมพูดผิดไปได้ขนาดนั้นปัสติท่านจึงสอนให้ฝึกตามหลักของกายเวทนาจิตธรรมเหตุเกิดสติก็คือเกิดจากการฝึกลึกรู้อยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรม รายละเอียดวิจิตพิสดารมากเตี่ยมาบรรยายที่ตึกสวรธรรมริเวศตั้งแต่ปศสองพันห้าอยบอ็ดบรรยายทุกเสาเว้นไว้แต่มีความจะเป็นจริงๆก็จะให้ลูกศิษย์เขาช่วยบรรยายเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรสูตรเดียวยังไม่จบจนเดี๋ยวนี้ยังอยู่ที่ อริยมรรคข้อข้อสมาสตินั่นแหละพอดีข้อสมาสติพอดีเพราะว่าความเชื่อมโยงกันของธรรมะเราต้องการเอาหมาสติปัฏฐานสูตรเป็นเมนเป็นทางเดินแล้วก็แวะที่ไหนได้ก็แวะไปเรื่อย เพราะทั้งหมดมันก็เป็นธรรมะของพุทธเจ้าทั้งนั้นเพราะสติมันต้องใช้สามช่วงช่วงอดีตท่านจะบอกว่าระลึกได้ระลึกถึงเรื่องที่ทำคำทีพูดของตนเองของบุคคลอื่นตลอดถึงหลักวิชาต่างๆในเรื่องนั้นๆีน ไ, ได้แล้วในขณะทาขณะพูดขณะคิดระลึกทัน รื่นทานบางครั้งนี่ต้องเร็วมากในขณะที่ทำนะแล้วเมื่อทำเมื่อพูดเมื่อคิดไปแล้วก็นึกนึกนึกออกก็นึกได้ว่าได้ทำไปแล้วอย่างนั้นได้พูดไปแล้วอย่างนั้นได้คิดไปแล้วอย่างนั้นมันก็จะไม่เกิดความผิดพลาดในที่นี้ทรงเน้นทันเน้นคำว่าเว้นรอบเพื่อลักกามราคะ ม, มาราคะเา็ตัวหลักที่เราจะต้องพิจารณา ก็คือพิจารณาที่กายถามากายใครากายเรานี่แหละอย่าไปดูกายคนอื่นดูที่กายเราให้เห็นที่ทรงวางไว้ในมหาสติปัฏฐานสุดในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในชั้นแรกก็ให้ดูที่ลมหายใจเขาออกซึ่งปลนปลือหล่อเลี้ยงร่างกายอยู่ หาใจเข้าไม่ออกหาใจออกไม่เข้าก็ตายยางที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะตอนเดือนกันยาที่มาเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินเพราะโรคหัวใจกำเริบเหมอสมพลโรงพยาบาลวิเชยุทธบอกว่า90ต่อ10นะฮะตาย90แล้วก็รอดแค่10ท่านั้นเอง ก็แสดงเห็นว่ามันก็พร้อมที่จะดับชีวิตมันก็พร้อมที่จะดับเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ก็ต า, ตายอยู่ก็ทำงานไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มันก็เห็นอย่างหนึ่ ง, งถ้าไม่คิดไปนี้ก็เจอใครก็อาศัยบทเรียนจากตัวเองที่ประสบ ม, มาเนี่ย ก็พยายามคุยให้สติกันบอลองนึกดูร่างกายเราพอมาถึงจุดนี้ผู้เจ้าเคยรับสั่งพระพุทธสิระของพระองค์ตอนปรงประชนมายุสังขารว่าบัดนี้ร่างกายตถาคตแก่งงอมเพราะชราเหมือนก็เกวียนที่ซ่อมแซมโดยไม้ไผ่ไม่ใช่ทัพพส ทพสัมภาระเกวียนที่จะบรรทุกของหนักได้อีกแล้วการนิพพ า, านของตถาคตก็จะมีต่อการไม่นานกระทั่งไม่เห็นร่างกายของตัวเองว่ามันเหมือนก็นรถรถเก่าที่เอามาซ่อมเขาจะจ่ายสูงมากแต่ว่าใช้สอยไม่มีประสิทธิภาพ แต่มันก็ต้องซ่อมบารุงเพราะยังไงมันก็ต้องอยู่ดีกว่าพิกลพิการถ้าพิกลพิการมันก็ตายดีกว่าแต่ยังไงเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็พยายามที่จะซ่อมแซมทนุบำรุงไว้เพื่อทำงานแต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะตายตายเมื่อไรก็เมื่อ น, นั้น ปรมานานุสติมันต้องคิดไว้เพราะว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นเป็นโรคคณิตทางคือเป็นรังของโรคมันต้องเปื่อยหน้ามันต้องปุพังไปแน่นอนไม่ต้องสงสัยอะไรเลยตอนต้นเดือนพฤติกาเป็นเรื่องแปลก ยุ่งเกี่ยวกับงานศพทั้งเผาศพทั้งเป็นเจ้าภาพศพตั้งจ้ขเจ็ดรายต่อกันไปเลยนะสิบกว่าวันคือสรุปไปสองวันตอนหนึ่งศพมันก็คล้ายๆกลับมาเตือนา เ, ออเราก็คงใกล้แล้วเพราะว่ามันกระชั้นที่มาก บางวันไปตั้งสองศพเลยเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างแปลกนะคื อ, อยังไม่เจองานศพที่ยิบขนาดนี้วักรามเนี่ยมันร่างกายเราเองก็เป็นกามนะฮะเป็นวัตถุกรามแล้วก็เป็นที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจของเราแต่ลองสังเกตว่า ร่างกายเนี่ยมันออกมาจากกุอายะแปลวแหล่งแหล่งรวมแหล่งประชุมของสิ่งปฏิกูลเปื่อยเน่าทั้งหลายบางครังพระเจ้าทรงเรียกว่าปูติสันเดโฮคือกายเน่าเกินึกดูว่าในแต่ละวันที่เ็าเรียกว่าสรีรกิจ คือพูดมานิ่มนิ่มภาษานิ่มนมิเนี่ยพูดว่าส ร, รีรกิจคือกิจที่เราจะต้องชำระล้างขัดถูกำจัดสิ่งปฏิกูลออกจากร่างกายเนี่ยวันหนึ่งยังเบาๆ ก, ก, ก็สองครั้งสองครั้งใหญ่ๆเดี๋ยวาตามปกติแล้วควรจะสามหรือสี่ครั้งเพราะว่าทนตัวเองไม่ไหวเหมือนกัน นั่นก็แสดงเหตุว่าการราคะคือจิตที่กำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่จิตใคร่เนี่ยเรามาดูที่กายเราวัรอารมณ์ของสมถะอารมณ์ของกายานุปัสนาสติปฐานนอกจากว่าดูเรียบทไป่ใช่ดูลมหายใจเขาออกแล้วก็ดูเรียบที่ยืนเดินนั่งนอน และอยู่ทุกการเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอะไรอะไรคู่แขนเหยียดแขนหยิบของจับของวางของไม่รู้คือต้องมีสติระ ล, ลึกรู้แล้วเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเกิดดับยกเท้าขึ้นเหยียบเท้าลงมันเป็นเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ทำได้ครั้งเดียวครั้งต่อไปเวลามันเปลี่ยนละ ว, วัยเรามันเปลี่ยนลว แสดงเราก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดแต่เราก็ไม่ได้มองประเด็นนี้เท่าไรจริงๆเราก็เกิดตายเกิดตายเกิดแก่เจะบตายอยู่ตลอดเรียกคณิกะมรณะคือตายอยู่ทุกขณะเพราะถ้ายังไม่เห็นในสามเรื่องนี้ ก็สรงสอนให้แยกร่างกายออกเป็น32ส่วนแล้วเรียกอาการ3 2มสปุคงนเล็กันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมหัวใจผังผืดไตปอดไตระหนักต่างเนี่ยซึ่งแน่นอนเอาพวกนี้ที่จริงเรามองเห็นชัดเนี่ยคือปกคนเล็กฟันนังนอกกนั้นมันก็เห็นจากสัตว์อื่น ยางเวเนี่ยเขาก็มีภาพมีอะไรดีวีดีมีซีดีมีสไลด์อะไรต่างๆเนี่ยก็ถ่ายภาพเรื่อนี้ให้ดูพอดูแล้วก็สยดสยองเลยแม้แต่ภาพผ่าตัดสมัยเขาเริ่มผ่าตัดหัวใจหมอสมานมันตาพร ที่คนผ่าตัดโรค ห, หัวใจคนแรกของประเทศไทยเนี่ยนำภพาพยนต์ที่ผ่าตัดหัวใจสุนัขไปให้พระที่วัดดูว่าดูเป็นลมเลยหน้ามืดเลยเอาจึงดูไม่ไหวแต่นั่นคือสิ่งที่เป็นความจริง แล้วพอถึงเกิดก็ตัวเองหรือก็ดูได้เฉยๆงั้นแต่พอเกิดคนอื่นก็ดูดูไม่ค่อยได้จากนั้นเราก็ดูธาตุแจ้งกายเป็นธาตุเป็นดินน้ำลมไฟก็ดูธาตุสีกส่ก่อนนะดูธาตุสี่ก่อนดินน้ำลมไฟอากาศยังไม่ศึกษาในตอนนี้อากาศศึกษาในอรูปกรรมฐานคือไปถึงระดับอ ร, รูปปัจจาน แล้วก็ถ้ายัางไม่เห็นปฏิบูลก็ดูที่ซากศพเลยเห็นจากซากศพอย่างที่วัดวรวนี่มีพิพิธภัณฑ์กรรมฐานมาวยเกตุสิงห์ก็ทำไว้แต่ตอนนี้กําำลังซ่อมนะคกำลังซ่อมตึกพพ ร, รอไม่ทราบว่ามันไปถึงไหนแล้วก็ยังไม่ขึ้นไปดูแต่ที่จริงเราก็น้อมนึกเอาได้ และยังน้อยเนี่ยบรรเทาการมราคาืคอไม่เองยังเป็นห่วงว่าต่อไปสังคมไทยจะมีปัญหาเรื่องการมราคานี่แรงจนถึงกับสีลข้อที่สามเนี่ยไม่มีความหมาย ต, ต่อสังคมยังนึกว่ามีความโน้มเอียงไปในทางนั้นแล้วค่อนข้างสูง เพราะเคยคุยกับเด็กๆ เ, เคยคุยกับเด็กๆ เ, เด็กรุ่นใหม่นักเรียนนักศึกษาดูแล้วเธอรก็รู้สึกเฉยๆนะแต่ที่ชัดเจนก็คือเวลาเธอเขียนคำถามถามเนี่ยแสดงว่าไม่รู้สึกอินางขังขอบในเรื่องดอกนี้ ขึ้นแน่นอนจะเป็นปัญหาสังคมขนาดประหบมาที่ยากต่อการแก้ไขเป็นโมโดกบาปของแผ่นดินเนี่ยนึกถึงว่าแม่คนหนึ่งเกิดลูกและชิงเนี่ยเด็กเหล่านี้มีคนเอาไปเลี้ยงดูแล้วเธอรู้ทีหลังเนี่ยเธอมีท่าทีต่อสังคมยังไงมีความรู้สึกต่อสังคมยังไงอีกกี่ปีจึงจะตายแล้วปัญหาเลวร้ายจะเกิดเพราะคนคนนี้สักเท่าไหร่ นะเราไม่ต้องดูอินกายเราดูประวัติซัดดามฮุทธเซนเนี่ยของอิรักเนี่ยโอ้โหประวัติน่ากลัวนะประวัติหน้าหวงใหญ่พอเขาอยู่ท่ามกลางความรุนแรงความเจ็บปวดความพลัดพรากสูญเสียแล้วก็ทุกทรมานจนกลายเป็นต่อต้านสังคมไปในบางกันนี้ซึ่งเหมือนไทยเราก็เคยมีนะฮะ เพร่ให้มองอย่างไงท่านบอกว่ามองเหมือนกับว่าบุรุษที่ถูกประหารด้วยหอกคําว่าประหารในความหมายเนี่ยหมายถึงมาแทงด้วยหอกแล้วก็ตรึงไว้อย่างนั้นเนี่ยในสมัยโบราณเขามีการลงโทษลงโทษนักโทษเนี่ยก็เรียกว่าเสียบประจานไม่ตายนะเสียบไปเลย เสียบปในป่าในป่าช้ า, ชาในสถานที่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็วิธีเสียบเนี่ยมันมันท่านจำแนกเอาไว้เป็นสี่ประเภทก็เรียกบาลีนะฮะเรียกบาลีว่าโอมัถ t อุมัต t มัถ t และวิมัถ t ท, ทีนี้ท่านอธิบายว่า เครื่องประหารที่ก็วางไว้ข้างบนให้มีหน้าลงเบื้องต่ําชื่อว่าโอมาธามาความวางไว้ข้างบนแล้วก็เอาคนไปกดลงไปนะฮะพอคนไปยิงก็กดลงมาเครื่องประหารที่ก็วางไว้เบื้องต่ําให้มีหน้าขึ้นข้างบนนะวางไว้ข้างต่ําแต่ว่าคล้ายกับคมมีดไงไงขึ้นข้างบนแล้วก็กด กดโค้ลงไปเครื่องประหารที่เขาวางเครื่องประหารที่เขาใช้แทงทะลุไปราวกะริ่มกรอนประตูแทงทะลุไปแล้วก็เสียบไปเฉยๆเสียไปตึงไว้เฉยๆอย่างเงี้ยแหะแต่เครื่องประหารทั้งหมดที่เหลือชื่อว่าวิบัติในที่นี้เรานั้นเราจะพบว่าเครื่องประหาร จะนิติธารุนกว่าเครื่องประหารทั้งหมดมันก็เหมือนกับหอกที่แทงแทงตรึงไว้นะฮะเลือดไหลจนจนจนเลือดแห้งไปเลยมันทุกข์ทรมานมากเป็นทันทรมานเหล่านี้สมัยรัชการที่สามก็เรายังเคยมีอยู่คือเราเอามาจาก เ, เทวทูตสูตรทันทสูตรนะฮะทันทศสูตร วิธีการต่างๆนี่มันรุนแรงอันแล้วน่ากลัวคือเรื่องเรื่องบางเรื่องในเราไม่นึกว่าเขาจะอยู่ได้ตลอดว่าน่าจะตายไปก่อนแล้วก็เหมือนบุรุษที่ถูกไฟไหม้บนศีรษะมุ่งดับไฟคือถือว่าการควบคลีด้วยกามเนี่ยเหมือนกับไฟเผาลนน่ะมันเป็นราคัดขไฟคือราคะ ปัญหามันจะตามมาเยอะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราคาอย่างเดียวนี่ยุ่งมากๆเลยมันมันพร้อมที่จะเกิดตัญหาพร้อมจะเกิดภวะทัดหาพร้อมจะเปิดการมาตัญหาพร้อมจะเกิดโทสะพร้อมจะเกิดริษยาพร้อมจะเกิดการเบียดเบียนพร้อมจะออกมาูปอาคาดเพาบาีบบะพร้อมจะออกมาลปยองเวนซึ่งกันและกัน ทีนี้มันถูกต้องนะนะฮะคือถูกต้องที่เทวดากล่าวเนี่ยแต่ว่าเทวดาคงลืมไปว่าไอ้การมราคะเนี่ยมันไม่จะเรื่องง่ายเพราะคนจะไปดับการมราคะได้เนี่ยมันต้องโน้นมันระดับพระอนาคามีเลยพระพุทธเจ้าจึงเปลี่ยนเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนกิเลส ท, ที่ต้องดับก่อนเนี่ยคือสักจยทิฏฐิ รับสั่งว่าภิกษุพึงมีสติเว้นรอบเพื่ออันละสักกายติถิเหมือนบุตรถูกประหารด้วยหอกและเหมือนบุรุษที่ถูกไฟไหม้บนศีรษะหมายความว่าถ้าเราไปลดที่ตัวสักกายติิลงได้เนี่ยในความรู้สึกตัวตนที่จะต้องปรนปลื้จะต้องตอบสนองความต้องการที่บังเกิดขึ้นเนี่ยแม้ตัวความต้องการเองมันจะลดลงไป เพราะว่าคนระดับนี้จะไม่ผิดศีลห้าข้อนะฮะคือศีลห้าข้อนี้เขาจะไม่ผิดละถ้าเขาดับตัวสักยะทิฏฐิได้เนี่ยสักยทิฏฐิคือความเห็นเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนเห็นตนเป็นขันห้าเห็นขันห้าเป็นตนเห็นตนมีอยู่ในขันห้าเห็นขันห้ามีอยู่ในตนมีทุกคนน่ยนะฮะ ก็เราจะจะจะลองลองสังเกตสังเกตสมมติว่าคนเนี้ยก็ชื่อนายนายแดงพอเขาด่าชื่อนายแดงนี่จะโกรธต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นนายขาวก็ด่ า, ดานายแดงไม่โกรธมันก็หมายความว่าไม่ไปรู้สึกว่าเราเป็นนายแดงแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นนายขาว เขาก็ด่าเราก็ไม่โกรธหรืออย่างเงี้ยอย่างอย่างธรรมนัสสักเทมาเคยเป็นเนี่ยที่พระราชธรรมในเทวีนี้จะคุณพยอมก็เป็นอยู่ใครว่าอะไรท่านพระยอมเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นแต่ถ้าตอนเราเป็นเนี่ยถ้าเขาว่าอะไรเราต้องสืดสอบ เรต้องแก้ไขแล้วเพราะสัจกจทิฏฐิเนี่ยมันเป็นเหตุสําคัญที่นําไปสู่ตัณหานําไปสู่มานะหมายความว่าถ้าเราไม่มีรู้ไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นตัวเป็นตนอะไรเนะี่ยแล้วเราจะไปคิดเราเป็นอะไรเพราะมันไ ม, ไ, มไม่มีตัวตวนให้เป็น่ะ เราจะฝ่ายความมาทําอะไรเพราะไม่มีตัวตนที่จะต้องดูแลจะต้องปนปปือจะต้องเอาใจใส่จะต้องเลี้ยงดูฉะนั้นเราเราเห็นว่าวิธีการของพระเจ้าที่ส่งฝึกพระให้บินธบาตเนี่ยเขาเรียกว่าอัญญโปซีอ น, นันอญญโปซีคือไม่เลี้ยงดูคนอื่นหมายความไม่มีครอบครัวก็อุบาาเดินไป ใครตักก็ได้ไม่ตักก็แล้วไปก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ข้องติดอะไรมากเราะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้ความอยากมันก็ลดลงไปเพราะว่าอดกอดคนเดียวอ่ะนะอดกอดคนเดียวคนอื่นไม่พออดด้วยแต่ถ้าเรามีอัตตาตัวตนแล้วมีที่เกี่ยวเนื่องหรือตนมี พันยามีสา ม, มีมีลูกมีคนใช้มีพ่อแม่ต้องดูแลเรื่องมันก็เยอะปัญหาต่างๆก็กจะติดตามอีกเยอะ <_ d ata> ตั้งฝังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูรณนธรรมจงมีจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี